ขอให้ทุกท่านจงมีความตั้งใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความสำเร็จอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเจ้าๆอย่างนี้ขอญาติสัมมาปฏิบัติทั้งหลาย ทั้งพระพิสุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสก อ, อุบาสิกาที่มารักษาศีลบุคคลที่ฝึกดีแล้วย่อมมีความชำนิชำนาญในการฝึกไม่ว่าจะทำการงานสิ่งใด ถ้าเราถูกฝึกมาดีแล้วเราย่อมมีความสำเร็จในงานนั้นๆก็เปรียบเสมือนจิตของท่านทั้งหลายที่ถูกฝึกมาดีแล้วเราคงบำเพ็ญเพียรมาพอสมควรแล้วจึงได้เข้ามาประพฤติวัดปฏิบัติ มารักษาสินในขณะนี้ท่านทั้งหลายจงตั้งสติสติก็คือความรู้ตัวเรามีความรู้ตัวไม่พอเราจะต้องมีจิตที่สำนึกเข้าไปในใจควบคุมอารมณ์และกับใจของเราเนี่ย ใจก็คือจิตนั่นเองจิตก็คือจิตวิญญาณในขนาดนี้เราตั้งสติรู้ตัวอยู่แล้วว่าเรากำลังมาประพฤติดีปฏิบัติชอบการประพฤติดีก็คือทำให้ใจดีนั่นเอง การที่เรามีสติสติก็คือเราจะต้องรู้ตัวเองว่าในขณะนี้เนี่ยเราจะต้องตั้งจิตตั้งใจอย่างไรบ้างเราเป็นบุคคลที่โชคดีไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดได้แต่ฟังอย่างเดียว เมื่อฟังแล้วเนี่ยเราก็ค่อยคิดใช้สติสติคือความรู้ตัวไม่ลังเลสงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนถ้าเรามัวรังเลสงสัยมันก็คิดวนว่ายเวียนว่ายไปตามสภาพของการคิดนึกปรุงแต่ง ถ้าจิตเราเป็นกุศลอยู่แล้วเราก็รู้สึกอิบอิ่มใจปิติใจและรู้สึกสบายใจไม่ลังเลสงสัยแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ถูกฝึกมาจิตย่อมมีความลังเลสงสัยแปลกใหม่อยู่เสมอเพราะเราได้คุกรีอยู่กับ กิเลสต่างๆนานาแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันที่เกิดขึ้นจิตก็ถูกฝึกไปในสภาวะของกิเลสมีความยินดีต่อความเรื่นเริ่งบันเทิงใจความเรื่นเริงก็หมายถึงว่าเราไม่รู้ตัวเองก็คือไม่มีสติเมื่อคนเรานี่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยก็เปรียบเสมือนคนบ้า คนขาดสตินั่นเองในขณะนี้เนี่ยท่านกำลังฝึกตัวของท่านเองจิตที่เราเคยถูกฝึกมาหลายภพหลายชาติอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงในพระธรรมคำสั่งสอนยังเข้าไม่ถึงถึงสภาวะธรรมจริงๆ แต่ในพบนิชาตินี้เราต้องพักภูมิใจอยู่เสมอว่าในขณะนี้เราได้มีสติแล้วมีความรู้ตัวแล้วเมื่อเรามีความรู้ตัวแล้วเราต้องการความสุขต้องการความสบายใจแล้วก็ปิติดใจก็คือปิดติสุขใจคนที่จะมีความ สุขใจได้ต้องตัดความว้าวุ่นใจออกก่อนมีความรู้ตัวนั่งยิ้มเข้าไปการยิ้มเนี่ยมันยิ้มออกมาจากใจเรียกว่าปิดติใจยังไม่ถึงปิดติสุข คำว่าปิติใจก็หมายถึงว่าสบายใจนั่นเองถ้าปิติสุขเนี่ยมันสุขใจเนี่ยมันสุขลึกๆความสุขของใจเนี่ยในขณะต้นๆเรียกว่าปิติในขั้นต้นๆของนักปฏิบัติทั้งหลายจะมีความรู้สึกเฉยจะไม่รับรู้ว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ รู้สึกเฉยนึกไม่ได้คิดไม่ออกถึงความทุกข์มันรู้สึกเ อ, อบอิ่มยิ้มไว้ในใจแม้แต่กายในยังรู้สึกเย็นเลยมันเย็นเข้าไปในหัวอกก็คือหัวใจเรานั่นเองพิจิสุขในตัวต้นๆเนี่ยมันรู้สึกว่าสุขลึกเข้าไปละเอียดละอ้อเลอะเกิน เราไม่เคยเจ อ, เจอในกันว่าในคำว่าปิดติสุขเราอาจเคยเจอแล้วแต่เราไม่เข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับเรานักปฏิบัติทั้งหลายมักจะปฏิบัติแบบวัวแบบฝายเรียกว่าถือศีลกินเจนั่นเองคนเรานั้นเกิดมาหลายพบหลายชาติ หลายคำปรารถนาหรือความคิดนั่นเองบางคนที่นั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ยอาจจะเกิดเป็นเหลือบลิ้นไหลก็ได้อาจจะเกิดเป็นเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาช้างมาวอกไายก็ได้ในพบหนึ่งชาติใดเพราะนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าอารมณ์ที่เกิด มีความกลัวแล้วก็มีความเกลียดก็คือความที่ไม่ชอบใจแล้วก็ไม่พึงปรารถนาใจในขณะที่เจะเจอบางคนก็ชอบสุนัขรักกอดหอมเหมือนกับญาติคนหนึ่งเลยบางคนก็เห็นสุนัขแล้วกิดเกิดความกลัวเกิดความเหม็นไม่คุ้นเคย แสดงว่าเรานั้นอาจจะไม่คุ้นเคยในการเกิดที่เป็นสุนัขจึงไม่มีสัญญาเกี่ยวพันมีทายาทเรียกว่าหัวหน้าฝูงหรือว่าเป็นลูกน้องคนที่เคยเกิดเป็นหมูหมากาไก่เนี่ยก็จะมีความผูกพันเน่ยความผูกพันมีความอะไรละ่ะ ในบริวารหรือหมู่ญาติของเราเราได้มาเกิดแล้วยังจะต้องมาเจอะเจอแต่เราเนี่ยไม่รู้จักสัญญาแห่งความเกิดก็คือกรรมกรรมก็คือเกิดตามสภาวะผิดถูกชั่วดีที่พึงได้กระทําก็คือทางใจนี่แหละเรารู้จักจะเกิด ไม่รู้จักคำว่าดับเดี๋ยวจะงงขึ้นเกิดหมายถึงว่าเราปรุงแต่งเรื่องอื่นมื่ใดที่เกิดขึ้นในชีวิตเราที่ยินดีแล้วก็ไม่ยินดีเขาเรียกว่าเกิดก็คือเกิดอารมณ์สมมุตินั่นเองในขณะที่เรา ตึงปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเกิดกุศลเกิดขึ้นแล้วทางจิตของเราก็คือจิตวิญญาณถ้าเราไม่เกิดกุศลทางกุศลละจิตเราคงรู้สึกฟุ้งซ่านเอะอะโวยวายว้าวุ่นใจในขณะนี้ พอกุศลเกิดขึ้นเนเราก็เห็นเลยว่าความสำรวมทางกายเนี่ยบรรดาญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติมีความตั้งใจเกิดเข้าไปในใจพยายามตั้งจิตตั้งใจฟังหลวงพ่อยิ้มเขาไว้ในใจพยายามเห็นใจตัวเองก็คือมองเข้าไปในจิตได้สำนึก พยายามบางคนก็นึกตามหลวงพ่อได้แต่อย่าให้ให้ตัดความลังเลสงสัยออกเสียเรียกว่าวิกฤจจิตถาวิกฤตจิตฉ้าเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเกิดความแคบแคบก็หมายถึงใจแคบแคบเครื่องนะมันละคายเครื่องมันสงสัย หากถ้าเรามีความสงสัยละคายเคืองทางใจเนี่ยไอจิต ท, ที่มันมีความชํานาญชํานิชนํชนานาญก็หมายถึงว่าทําซ้ซําๆกันคิดซ้ซําๆกันเหมือนเราเนี่ยทำงานสิ่งอืง่นสิ่งใดเนี่ยมีความชํานาญเพราะว่าทำบ่อยทําซ้ํากันบ่อยๆเมื่อเราคิด ตามหลวงพ่อซ้ำๆบ่อยๆเข้าเรียกว่าสับพัญโยก็คือฟังบ่อยแล้วก็มีสติปัญญาเฉพาะตัวเฉพาะตนสติปัญญาของคนเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนนิ้วมือนิ้วเท้านั่นเองถ้าใครมีปัญญาต่ำลงจากนิ้วมือก็คือเรียกว่านิ้วเท้า เรียกว่ากรรมมันต่ำลงจิตใจของท่านเนี่ยก็คิดแต่เรื่องต่ำๆเช่นการเดินคิดว่าการเดินทางเนี่ยอยู่กับดินเนี่ยไม่ต้องใส่รองเท้าเนี่ยเจ็บเท้าเท้าแตกเท้าเจ็บแค่ไหนเนี่ยทำไมเขาทนได้ที่เรามองเห็น คนที่มีเท้าแตกเท้าเจ็บเนี่ยก็มองเห็นว่าโอ้เนอเราลําบากกั ก, กรรมเราจะมีรองเท้าใส่สักคู่หนึ่งเนี่ยเราก็ไม่มีเงินมากมายเหมือนกับผู้ดีผู้ดีที่ก็มีเท้าวสวยสรุปแล้วคนที่เดินดินกับที่มีรองเท้าวสวยเนี่ยมันก็มีเท้าเหมือนกัน แต่เท้าเนี่ยมันมีรองรับโดยอำนาจแห่งบุญบุญเนี่ยก็คือความว่างเปล่าความบริสุทธิ์คนที่เขาทำบุญมาเนี่ยเขามีสิ่งของรองรับเรียกว่าปัญญาก็เรียกว่ามีนิ้วโป้นิ้วมือนิ้วชี้นิ้วหนงังนิ้วกลางี่มีแต่เครื่องประดับ แต่ถ้าเกิดคนจนเนี่ยจนไม่พอแถมตกอับตกต่ำอีกต่างหากเห็นไหมตกก็หมายถึงจิตตกตกสภาวะของดวงชะตาของคนเราดวงก็คือดวงจิตนั่นเองจิตวิญญาณก็คือใจของท่านนี่แหละมันจุติเกิดจาก สภาวะกรรมที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับท่านทั้งหลายในขณะนี้เนี่ยถ้าเราจิตดีเนี่ยเราก็คิดถึงชั่วไม่ได้ในขณะนี้ถ้าเรามีจิตที่เป็นบุญกุศลเราก็ผามารถอดทนในการฟังในการคิดในการนึกไม่ลังเลสงสัย แม้ในขณะที่ตัวเองนั่งอยู่ในขณะ น, นี้รู้สึกดิ่งสบายแต่บางคนก็ยังรู้สึกว่านั่งไม่สบายบางคนก็เอ๊ะเรานั่งอยู่ทำไมอะไรมันที่นี่มันไม่เรียบที่นี่มันคลุกคะนั่งแล้วมันเจ็บไม่สบายการนึกคิดเนี่ย เป็นการปรุงแต่งทำไมทีแรกเรานั่งเนี่ยรู้สึกว่ามันพอดีไอ้จิตของเราเนี่ยมันพยายามลากจงเราเนี่ยให้ไปสู่สภาวะของความฟุ้งซ่านหลังเลสงสัยในขณะที่นั่งเราก็สงสัยตัวเองว่านั่งไม่เหมาะในขณะคิดเราก็คิดว่าเอ๊ไอ้จิตนี่มันหมายถึงอะไร หลวงพ่อท่านพูดถึงจิตวิญญาณไอ้วิญญาณนี่ใช่ผีไหมเอ๊ะหรือว่าใจใจก็คือวิญญาณมันเป็นยังไงบางคนก็คิดได้แล้วบางคนก็ยังถอยหน้าถอยหลังเอนซ้ายเอ็นฝาบางคนก็เดินตามหลวงพ่อมาได้แล้วฉันได้ก็ฉันนั้นนับว่าพวกเหล่านั้น มีนิ้วมือนิ้วเท้าเท่ากันแต่มีวิบากกรรมเนี่ยไม่เท่ากันวิก็คือทุกวินาทีบางคนคิดดีทำดีรู้สึกสบายใจเหมือนในขณะนี้ในขณะนี้เนี่ยนิ้วยาวสาวได้สาวเอา มีแต่เขาบอกว่ามือยาวสาวได้สาวเอาแต่ลุงพ่อให้คิดถึงนิ้วมือที่เราประสานกันอยู่เนี่ยให้นึกถึงมือเราในขณะนี้ว่านิ้วกลางเนี่ยมันยาวที่สุดนิ้วกลางเนี่ยมันอยู่ทางกลางเนี่ยมันทำไมจึงยาวกว่านิ้วโป้นิ้วโป้ทำไมมันสั้นกว่านิ้วกลาง ความดีเนี่ยมันมันยาวก็ไม่ได้นะก็คือนิพโปในยาวเท่ากับนิวน้วกลางเนี่ยมันไม่ได้ก็เหมือนความคิดสติปัญญาของเรานี่แหละว่าบาังเอิญเราเนี่ยเกิดมาจังหวะนิ้วไหนดันหลุดไปเป็นนิ้วเท้านะ นิ้วเท้าเนี่ยนิโป้เนี่ยเขาบอกว่าพอเราทําความดีคนก็ยกนิ้วเท้าให้นิโปเท้าความหมายเราคงรับไม่ได้ก็เหมือนหลวงตาโอที่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนเรามีน้ําเสียงที่ไม่เท่ากันมีวจีกรรม จากสัจจะคือวาจาเนี่ยไม่เหมือนกันวาจาเนี่ยบางคนก็มีวาจาไพเราะเหมือนกันนักร้องเลยนักร้องบางคนก็ร้องเขาก็พยายามร้องให้เพะที่สุดแต่คนฟังเนี่ยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ บางคนก็บอกว่าเออเพราะดีบางคนก็บอกว่าไม่เห็นเฉพาะตรงไหนสรุปแล้วความยินดีพอใจเนี่ยมันอยู่ที่จริตจริตก็คือความชอบคนเราเนี่ยมีความชอบที่แตกต่างกันไปเช่นผัวเมียคู่รักเนี่ยบางทีเรามีเพื่อน เราถามว่าภรรยาเราเป็นไงสวยไหมดันไปถามต่อหน้าใครจะบอกว่าไม่สวยก็กลัวเพื่อนจะเสียใจแต่ไอคนที่เป็นผัวเราเนี่ยมันชอบเราสเปกเราแสดงว่ามีความยินดีชอบแบบนี้ผู้หญิงก็เช่นเดียวกัน ก็มีความชอบผู้ชายที่มีลักษณะที่ตัวเองชอบแบบนี้ก็ไปถามเพื่อนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันว่าแฟนเราเนี่ยหล่อไหมไอ้เพื่อนมันก็ไม่กล้าพูดว่าโอ้โหแฟนมึงนี้ไม่ต้องมองเลยเลวสิ้นดีใบหน้านถ้าเกิดมีการโต้เถียงก็บอกว่า เขาไม่ได้รูปลางหล่อมากมายหรอกแต่เขามีใจดีเขาเป็นคนนิสัยดีแล้วเขาก็เป็นคนดีด้วยเห็นไหมลึกเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปอีกแสดง ว, ว่าชอบใจสิ่งใดที่เราชอบใจเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยเรารู้สึกรับได้รู้สึกสบายใจ ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็วกเข้ามาถึงใจใจก็คือจิตจิตใจของคนเราเนี่ยมันอยู่ลึกมากมันไม่สามารถคาดคะเ์และก็คาดเดาได้เรียกว่ารู้ใจนั่นเองเราัวแต่ว่าจะให้คนอื่นเนี่ยเขามารู้ใจเรามาเห็นใจเรา แต่ทำไมตัวเราเองเนี่ยทำไมไม่เรียนรู้ใจของเราเองก็คืออารมณ์ของเรานั่นเองอารมณ์ก็หมายถึงว่าจรลิตจรลิตก็คือความชอบของเรานั่นเองการที่เราจะชอบใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนประกอบ เ, เหมือนรถเนี่ยเขาก็จะประกอบชิ้นส่วนของมันถึงจะได้เป็นคันเอามาใช้ได้ ใจก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องมีส่วนประกอบก็คือสติสติก็คือความรู้ตัวก่อนอันดับแรกถ้าเราเนี่ยมีสติรู้ตัวว่าเราชอบแบบไหนเราก็คงค่อยๆนึกถึงใจเราถึงนะก็เรียกว่าถึงใจถึงไม่ถูก เรียกว่ายังไม่ถึงปลายทางยังไม่ถึงจุดหมายคำว่าถึงเนี่ยแต่ถ้าเข้าเราเข้าไปดูในใจเราเนี่ยว่าเราทุกข์ใจเพราะเหตุใดเนี่ยเข้าแล้วเริ่มเข้าไปในใจแล้วเหตุที่เห็นความทุกข์ที่เราทุกข์ใจเนี่ยอย่างเช่นเป็นหนี้เป็นสิน สามีไม่ดีภรรยาไม่ดีครอบครัวยากจนเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเรารู้สึกทุกข์ใจหนักใจไม่สบายใจแต่เรามักจะคิดร่วงหน้าเนะียเรียกว่าร่วงร่วงก็หมายถึงว่าเหมือนคนที่ปัจจัยร่วงหายก็คือเงินร่วงหายหรือทรัพย์สินร่วงหายเนี่ยรู้สึกเสียดาย รู้สึกว่าจะต้องไปแสวงหาจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่การคาดคะเนและคาดนะว่ามันตกอยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้เลยมันหายไปเมื่อไรเราก็ยังไม่รู้เลยแต่เรามีจิตได้สำนึกว่าสิ่งของของของเราที่หายไปเราเคยยึดติดเนี่ย ยึดมั่นถือมัน่นยึดติดว่าเป็นตัวกูของกูก็คือของเรามันหายไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้ก็จะต้องเสื่อมสลายไปในที่สุดให้เราเน้นละใจเกิดขึ้นให้รู้ว่ามันเกิด แล้วก็ดับดับก็หมายถึงว่าเราจะต้องตายอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่คิดเราต้องหาทางว่าไอ้สิ่งที่คิดเนี่ยเราคิดวนไปวนมาหรือเปล่าวกไปเวียนมาวนไปเวียนมาคิดไปคิดมาจนหาทางออกไม่ได้ เมื่อหาทางออกไม่ได้แล้วเนี่ยก็นึกว่าถึงและถึงทางตันเห็นมามคำว่าถึงเนี่ยมันแสดงว่ายังไม่ถึงถึงที่สุดนะ ย, ยังไม่ถึงที่สุดเพราะนั้นการถึงเนี่ยเหมือนกับคนบอกแม้สะใจถึงใจจริงจริง แต่การถึงของเราเนี่ยยังไม่ถึงก็คือหมายถึงว่ายังไม่ถึงที่สุดก็คือดับแสดงว่าอารมณ์คิดของเราเนี่ยมันจะต้องคิดเรื่องอื่นเข้าไปอีกการบริสุทธิ์ใจเนี่ยคือเราไม่คิดเลยเดี๋ยวจะงงจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันนึกได้ ตามอารมณ์ของกรรมที่เกิดขึ้นเรียกว่ากากกรรมกากนี่หมายถึงว่าขี้กากมันคันมันขึ้นลามไปลุกลามไปเรื่อยจิตใจของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยตามสภาพของกรรมอารมณ์ก็จะต้องปุงปุงแต่งไปตามสภาพที่หลวงพ่อบอกว่าชอบและยินดี เหมือนพ่อแม่สั่งสอนลูกว่าทำไมไปฝักใฝ่สิ่งเหล่านี้มันไม่ดีเลยทำไมเธอจึงต้องไปฝักใฝ่สิ่งเหล่านี้มันผิดมันไม่ถูกต้องทำไมเธอจะต้องไปคบคนคนนี้ในสิ่งที่คนคนนี้ไม่เห็นจะมีดีตรงไหนเห็นไหมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมักจะรู้ก่อน เพราะว่าเป็นโจรมาก่อนพูดว่าเป็นโจรพ่อแม่เนี่ยก็โจนลงไปในอ่างน้ําร้อนเรียกว่าตกนรกก่อนเรียกว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนนั่นเองรู้ร้อนรู้หนาวรู้รสชาติแล้วว่าคนประพฤติแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันทําให้เดือดร้อนทําให้ครอบครัวหรือว่าสภาพของ การคบหาอยู่ร่วมกันเนี่ยจะทำให้เดือดร้อนแล้วก็ทำให้ไม่เป็นสุขนั่นเองแต่มันพ้นขี้กากไม่ได้นะกากคำว่ากากหมายถึงว่าเขาเอาเนื้อเอาน้ำเอาสิ่งที่ดีไปหมดแล้วเหมือนกับมะพร้าวเนี่ยเขาคั้นเอาของดีออกไปหมดแล้วนะ เมื่อกขาขั้นเอาของดีไปมันก็เหลือกะเหมือนร่างกายที่เรากินของเข้าไปเนี่ยคิดว่าเราบริโภคของดีเมื่อกัดกืนกินเข้าไปเนี่ยตามรสตามสภาพที่เราคิดว่ามันดีเวลาถ่ายออกมาเขาเรียกว่าอุจจร ะ, ะนะปัสสาวะน้ำที่เราดื่มไปเนี่ย เราไม่เคยคิดจะดื่มน้ำสกรปรกเลยเราอยากได้น้ำสะอาดๆที่มันใสๆพอเราได้ดื่มน้ำใสเราลองนึกถึงน้ำปัสสาวะเลยมันสกรปรกเหม็นครุครา้าเหม็นฉุนมากเลยจะยิ่งไปตากแดดด้วยกลิ่นครุ้งเลย ในอุดจละเราก็เช่นเดียวกันเรากัดกินดูดดื่มทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่าเป็นของดีแต่ทำไมมันถ่ายออกมาแล้วมันเหม็นแล้วมันถ่ายออกมาจากไหนจากตัวเรานั่นแหละเอ๊ะทำไมเราก็ทั้งดื่มทั้งกินเนี่ยของดีๆทำไมมันออกมาเหม็นอย่างนี้ แล้วมันออกมาจากไหนเ อ, อ่อถ้านักปฏิบัติธรรมเนี่ยมีสติสติคือความรู้คือการพิจารณาตัวเองเรียกว่าสมัตสมถนี่ก็แปลว่าการพิจารณากายในกายนักปฏิบัติก็พิจารณากายเนี่ยว่าโอ้เนาะร่างกายของเราเนี่ย ไม่เคยพิจารณาไม่เคยเห็นตัวตนที่แท้จริงก็คือจิตวิญญาณหรืออารมณ์ที่แท้จริงของเราเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือปัญญาปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารก็คือรู้เท่าอารมณ์ที่เราคิดหรือเกิดขึ้นเรียกว่าปัญญา ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็พิจารณาตัวเองนั่นเองเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดังที่องค์สมมาสองพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อเรามีความรักความรักเนี่ยมันจะต้องบานไปลายไปอย่างไรบ้าง ถ้าเรามีสติเราก็ค่อยๆคิดค่อยนึกว่าความรักระหว่างพ่อกับแม่ที่รักเราเนี่ยมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เราก็มองเห็นเลยวว่าคนที่รักและปรารถนาดีกับเราเนี่ยก็คือพ่อกับแม่แล้วก็พี่น้องของเรา คนที่เราจะรักเนี่ยเขาจะปฏิบัติตัวตนเนี่ยเหมือนพ่อแม่เราไหมเขารักเราหรือว่าหลอกเราเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆตั้งสติคนที่รักแม่เนี่ยก็จะต้องทนุกทนอมนะอาบน้ำอาบท่าพูดดีคิดดีทำดีสอนด้านในสิ่งที่ดีๆ ภรรยาหรือสามีที่เขาพูดกับเราไม่ดีแสดงว่าไม่เป็นความรักแล้วก็พูดว่าตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เยินยอสรรเสริญเราแต่ตัวที่แท้จริงที่เราเห็นภาพและที่เราเห็นการกระทาที่แท้จริงเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่มันหลอกหรือมันหรือว่าไม่หลอกคนที่รัก เนี่ยก็คือพ่อแม่เนี่ยรักเราเนี่ยสม่ำเสมอถึงปฏิบัติให้เราเนี่ยสม่ำเสมออย่างเช่นกอดหอมเราในอย่างสม่ำเสมอคิดถึงอย่างสม่ำเสมอหาข้าวหาปลาหาที่อยู่อาศัยเตรียมไว้ให้เราในอย่างสม่ำเสมอเหมือนภรรยาเนี่ย เตรียมไว้ให้กับสามีเนี่ยสม่ำเสมอสามีก็จะรักภรรยาอย่างสม่ำเสมอว่าภรรยาชอบอะไรก็หามาให้อย่างสม่ำเสมออันดับแรกก็คือคําพูดและการกระทําเหมือนกับพ่อแม่และสามีภรรยารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเนี่ยโอ้มันสุดยอดแล้ว มันจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขได้อย่างไรถ้าเรามีสติมีปัญญานึกคิดเอาความจริงเข้ามาพูดกันเอามานึกเอามาคิดกันแต่เดี๋ยวนี้เขารักวูบวาบนะบุบหวาโลดผลรักกันอยู่ที่อะไรนะต้องมีอะไรเห็นหเหมือนลดลาเลยความรัก รถกลามเนมันก็โง่อยู่แล้วเท่ากับมากลอล่อเนี่ยมันผสมกันก็ออกมาเป็นลารถ ล, ลามีอะไหล่ด้วยซ่อมได้เดี๋ยวนี้คนเล้าลักกันก็เปรียบสเสมือนดูว่าลูกร่างสวยลูปร่างหลอ่อหรือว่ามีอะไหล่ก็คือมีความร่ำรวยแต่งตัวดีมี ลาบมียศก็ุ่มหลงกันไม่ได้ศึกษาความดีความชอบมีสติมีปัญญาที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าบางคนได้สามีฉลาดเราโง่กว่าเราก็เป็นทาสเขาเขาก็หลอกเราเอาบางคนภรรยาฉลาดกว่าสามีโง่มันก็ใช้เยี่ยงลูกเยี่ยงทาสเลย หามาเท่าไหร่มันก็ทําเท่าไหร่มันก็ไม่รักเราทําเท่าไหร่มันก็คิดไม่ทันมันเพราะฉะนั้นเนี่ยสติปัญญาของเราเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากสําหรับผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกว่าสัจจคือความจริงความจริงที่เรายอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นในตัวตนของเราเนี่ย ก็คือจิตใต้สำนึกที่เรานึกได้เนี่ยเราต้องยอมรับมันการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราค่อยๆฝึกไปํำนานก็หมายถึงว่าเราฝึกบ่อยได้ฟังบ่อยได้นั่งบ่อยๆได้คิดบ่อยๆรู้เหตุรู้ผลในตัวตนของเราที่ดีแล้วเนี่ย เราจะรู้สึกว่าสบายใจเหมือนในขณะนี้ถ้าเราไม่เคยฝึกเคยผลมาไม่เคยนั่งไม่เคยสงบสภาพกรรมของจิตเนี่ยเคยเป็นลิงบ้างก็ขันนั่นขันนี่เคยเป็นวัวเป็นไฟก็มักจะนั่งปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเคยเป็นงูก็จะนอนง่วงเงาเหานอน ถ้าเกิดเป็นมนุษย์คนชั่วก็คิดชั่วอยู่ตลอดเวลาตามสภาพของอารมณ์กรรมที่เกิดขึ้นเราจะค่อยๆบอกไปให้รู้เหตุรู้ผลในกว้างๆ ก, ก่อนและจะค่อยๆจูดเหมือนกันเราปรับไฟฉายถ้าเกิดมันบานเกินไปสว่างเกินไปมันก็รู้สึกว่าไม่ถูก คอถูกใจเราถ้าเราอยากส่งไกลๆให้เห็นใกล้ก็ต้องทําไฟฉายเนี่ให้เล็กๆ ล, ลงเหมือนกับที่เราคิดกว้างๆมองอะไรไม่เห็นแล้วดันเปิดไฟกว้างเข้าไปอีกก็เห็นมากขึ้นก็ทําให้เราลังเลสงสัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยค่อยๆจากกว้างแล้วก็ร้อมเข้ามาแคบๆ ก็เหมือนถึงว่าให้รู้จิตสภาวะจิตของตัวเองอย่างแท้จริงเราก็จะรู้สึกว่าเข้าใจตัวเราเองว่าเออเรารู้สึกทำไมเราทนได้วันนี้ได้หนึ่งวันทำไมวันก่อนๆที่เรานั่งมาสองวันแล้วบางคนก็ไม่ได้นั่งดีแบบนี้ บางคนสองวันก็นั่งดีทำไมรลววะหลวงพ่อพูดวันนี้ทำไมเรานั่งไม่ดีเลยร้นแต่เป็นจิตใต้สำนึกที่ปรุงแต่งทั้งสิน้นว่าหลวงพ่อเนี่จะแขังกว่าองค์อื่นจะแสดงพระธรรมเทตนายอดยิ่งกว่าองค์อื่นมันก็ไม่ใช่ถ้าเราถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยจำนานแล้วพอหลวงพ่อพูดเนี่ย มันรู้สึกจิตใต้สำนึกเนี่ยเข้าไปในใจในจิตวิญญาณมันมีจิตใต้สำนึกที่ว่าเออทำไมดูนิ่งดูสบายวันนี้เมื่อวันก่อนๆทำไมเรารู้สึกนั่งไม่ค่อยดีแต่มันเป็นความรู้สึกที่แต่และ ว, วันแต่และ ว, วันไอ้ที่หมอดูเขาบอกว่ากำลังวันเนี่ยมันไม่เท่ากัน แต่ทางปุทธศาสรนาเรียกว่ากำลังใจกำลังจิตจิตของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันมันบางวันก็หนักบ้างเบาบ้างบา ง, บางวันก็หนักแน่นเหมือนดัง่งภูเขาบางวันก็เหมือนกับเศษดินเป็นละอองเล็กๆ ล, ลมพัดทางไหนมันก็กระเด็นกระเซ็นซ่านไป เพราะนั้นหนักเบาเนี่ยเราต้องตั้งสติเหมือนลุงพ่อให้พูดให้เห็นว่าเดี๋ยวเช้าเนี่ยไปหนักแล้วก็คือไปถ่ายอุจจาระลองนึกดูซิว่าเออเราก็กินของดีๆมันก็อยู่ในตัวเราทำไมมันเหม็นแล้วมันอยู่ในตัวเราเราคิดว่าตัวเราเนี่ยมันหอมมันเป็นของดีตัวเราตัวกูของกูไง ไอ้ปัสสาวะที่เราดื่มน้ำใสๆเข้าไปเวลาเราเบาออกมาเราลองลองนึกถึงภาพของกิ่นเฉรเราซิเอาแค่นั่งใกล้ๆห้องใกล้ๆกันเนี่ยไอ้ของเกา่าไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครเนี่ยก็จะมีกลิ่นปัสสาวะอุจร ะ, ะให้เราได้กลิ่นได้มองดูได้นึกใช้สตคิคิดเอาว่าเออเนาะ ร่างกายคนเราเนี่ยเหมือนกับถุงห่อขี้มันมีแต่ของเน่าเหม็นที่คลุคลุ้งอาหารเก่าอาหารใหม่ขี้เลษน้ำลายขี้ไข่ขี้เห ง, ง, งื่อคำว่าขี้ทั้งนั้นขี้หูขี้ตาขี้หัวขี้เล็บมือเล็บเท้ามันมีขี้ทั่วตัวไปหมดมันห่อหุม้มน้ำเลือดน้ำเหลือง ห่อหุม้มเอ็นเล็กเอ็นใหญ่เส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดดําเลือดแดงโอ้รูปขันรูปกายของเราเนี่ยไม่ต่างก่าสิงสารสัตว์ที่เรากัดกินหมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งไส้ทั้งตับทั้งผุงกระเพาะขี้กระเพาะเยี่ยวมนุษย์เอามากินหมดเออเราเป็นมนุษย์แบบไหนเป็นสัตว์แบบไหนนี่เรียกว่าสัตว์เจริญแล้วหรือ เราถึงได้กินตับไตไส้พุิคนอื่นเรียกว่ากระสือหรือว่าสัตว์หรือว่าคนไว้เนี่ยพยายามนึกถึงตัวเองก็พิจารณาเรียกว่าสมถะเมื่อใจเป็นกุศลเกิดขึ้นเราก็มองเห็นวัตตาคือการเวียนว่ายของอารมณ์ในอันดับต้นๆเรียกว่าปิติสุขปิติก็หมายถึงว่าอารมณ์เรารู้สึกเฉย นะเรียกว่าขันติบรารมีกรรมฐานเนี่ยมันมี40กม่กองนะเหมือนกันลุงพ่อออบอกว่ามี40กม่กองเพราะนั้นกองหนึ่งกองใดที่เราจะเกิดขึ้นในสภาพของจิตบางคนก็รู้สึกเงียบสงบบางคนก็รู้สึกว่าเอบอบิ่มทางใจ เรียกว่าเมตตาบารมีนะบางคนก็รู้สึกปิติสุขรู้สึกสุขสบายไม่อยากพูดอยากคุยบางคนก็จิตฟุ้งซ่านอยากจะบอกกล่าวเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่าตัวเองมันเกิดอาการใดๆก็ไม่แตกต่างกันให้พิจารณาหาเหตุหาผลตั้งแต่เชา้าวันนี้เป็นต้นไป ในขณะกินในขณะนอนนะเกิดก็หมายถึงเกิดขึ้นในขณะที่เราตั้งตัวก้นมาพูดมาคุยใช้ชีวิตอยู่เนี่ยให้พิจาจรณาในขณะนอนเนี่ยเราก็พิจารณามอณานุสติเอามือเกยที่หนะ้าอกกำดอกไม้มีทูบมีเทียนเหมือนคนตายอยู่ในโลง แล้วมองนึกถึงความเน่าเปื่อยว่าโอ้เนอชีวิตเกิดมาจะต้องตายเหรอเนี่ยเหมือนเราเกิดแล้คือตื่นขึ้นในขณะที่ตื่นเนี่ยเราคงจะต้องลำบากกักกรรมทั้งมือและเท้าทั้งหูและตา24ชั่วโมงทั้งหมืดก็ติดไฟให้แจ้งขณะแจ้งแล้วยังไม่ได้หลับได้นอน กัดกินกินจนตั้งแต่เราเกิดขึ้นมากินจนฟันเฟืองหักหมดเราก็กินสารพัดหมดแล้วนอนทุกที่กินทุกอย่างถ่ายทุกครั้งใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้กินอยู่สามมือ้อตื่นก็ทำงานตะเกียกตะกายผมที่ยุ่งเหยิงก็พยายามตัดผิวพธุ์ที่สกปรกก็พยายามอาบน้าทำความสะอาด ก็ยังเหม็นอยู่นั่นแหละตามสภาพที่เราอยู่นี่อ๋อมันอยู่เพราะความคิดการปรุงแต่งที่สมมุติทั้งสิ้นเดี๋ยวลูงพ่อจะค่อยๆบอกไปพอเรารู้เหตุรู้ผลแล้วเนี่ยใจรู้สึกหดเลยเรียกหดหูใจกำลังใจที่มันเป็นกิเลสเรารู้มีสติรู้ตัวก็คือรู้เหตุผล เมื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ตัวรู้ตนแท้จริงเนี่ยมันก็ระงับเหตุเรียกว่าตำรวจเข้ามาระงับเหตุว่าบ้านนี้กำลังจะทะเลาะ ก, กันเหมือนกับจะฆ่ากันก็แจ้งฝามแจ้งก็หมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยมีสติรู้ซะก่อนจึงมีระงับเหตุได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลาย ลุงพ่อพยายามทอดแถให้ติดแถหก่อนแล้วก็ค่อยล้อมชักขึ้นมาดึงเข้ามาให้รู้ตนล้ตนอย่างแท้จริงเรียกว่าสติเรียกว่าเรามาฝึกสติเมื่อฝึกจนชำนาญรู้การรู้งานแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆเดินไปพร้อมกันค่อยๆเหมาะค่อยกล่าวก็ต้องมีความอดทนแล้วก็บุ่งมันนะขยันหมั่นเพียร อย่าหลงในการกินอย่าหลงในการคุยกันให้มากในขณะ9ก้าวันเนี่ยเราต้องก้าไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำเรามีหน้าที่ช่วยอะไรได้เราต้องช่วยซึ่งกันและกันเราก็จะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไปด้วยกันได้คงไม่มีมาเฟีย คงไม่มีองค์กรใดๆที่เข้ามาบังคับจิตใจเราให้มีความทุกข์ถ้าเราไม่ละไม่ตัดมันเจ้าๆอย่างนี้ก็ขอยินดีกับบรรดาญาติโยมกับพระคุณเจ้าที่อดกัน้นอดทนที่นั่งอยู่ได้บางองค์ก็งอกแงกศกจักโยกย้ายสภาพของจิตเคยฝุงสารไม่เคยขึ้นสวรรค์นะ ไม่เคยเห็นนิพพานนิพพานแปลว่าดับดับไม่มีเชื้อคำว่าดับก็หมายถึงว่าไม่รับรู้นั่นเองไม่ยึดมั่นถือมั่นมาเป็นอารมณ์แต่ตาพาที่ไม่เคยฝึกเคยเห็นแต่นิพพังนั่งหน่อยก็นั่งไม่ไหวหิวโน่นโปวดนีนะจิตใจไม่สงบแม้นบวชมาตั้งนานอยู่กับวัด อยู่กับพื้นที่ที่พระพุทธศาสนาได้จัดสรรไว้ให้จัดไว้ให้ได้ต่มาเป็นพระแต่ว่าตัวเองไม่เป็นพระเป็นพระเพลิงอยู่ตลอดเวลาเห็นชัดเจนนะพระเห็นเดนเห็นพระที่มาประพฤติปฏิบัติแม่ชีแม่พามรู้เลยว่าคนไหนที่ได้มากได้น้อย การกระทํมได้เห็นเห็นการกระทาบางคนก็ไม่รู้ตัวรู้ตนของตัวเองพอเขามาตำหนิติดติงด่าว่าหรือพูดตักเตือนเนี่ยก็รับไม่ได้แล้วก็จะอยู่ในหมู่คณะของตัวเองเนี่ยก็จะเดือดร้อนรู้สึกว่าไม่สบายใจทำไมต้องมาว่าเราทำไมต้องมาตำหนิเราเราก็ลองค่อยๆมองตัวเองว่า เราเนี่ยเหมือนคนอื่นไหมประพฤติกรรมนะต้องถูกติในทำในในสิ่งที่ทำความไม่ดีในหมู่คณะก็ยอมรับไม่ได้นะฉั้นใดก็ฉันนั้นนะเจ้าเจ้าอย่างนี้ค่อยๆหายใจให้เป็นปกติแล้วค่อยๆลืมตา